อัตตาสามในแนวนอนมีความหมายที่พึงทราบดังนี้ 1. อัตตะประโยชน์ตนคือการบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตของตนได้แก่ประโยชน์หรืออัตตาสามอย่างในหมวดก่อนนั่นเองเท่าที่เกี่ยวข้องกับตนเองซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นแก่ตนโดยเฉพาะเน้นการพึ่งตนได้ในทุกระดับ เพื่อความไม่ต้องเป็นภาระาแก่ผู้อื่นหรือทวงหมู่คณะและเพื่อความเป็นผู้พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นบำเพ็ญกิจต่างๆอย่างได้ผลดีคุณธรรมที่เป็นแกนนาเพื่อการบรรลุประโยชน์ตอนนี้คือปัญญาส่วนหลักธรรมทั่วๆไปที่สอนไว้เพื่อความมุ่งหมายนี้มีหลายอย่างเช่นนาถการณธรรมธรรมะสร้างที่พึ่ง หรือธรรมะที่ทำตนให้เป็นที่พึ่งได้1ิบประการเป็นต้นพูดอย่างกว้างวางว่าบำเพ็ญายสิกขาในแง่ที่เป็นความรับผิดชอบต่อตอนเองให้บริบูรณ์ 2. ป ร, รัชญประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ท่านคือการช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนผู้อื่นให้บรรลุประโยชน์ หรือเข้าถึงจุดหมายแห่งชีวิตของเขาในระดับต่างๆประครับประคองให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้หมายถึงอัตตะสามอย่างในหมวดก่อนนั่นเองเท่าที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเป็นผลเกิดขึ้นแก่คนอื่นนอกจากตัวเราคุณธรรมที่เป็นแกนนำที่จะให้บรรลุผลข้อนี้คือกุณา หลักธรรมทั่วไปที่ใช้สอนมีสังคหะวัตุสีประการการทำหน้าที่และบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆของกัลยาณมิตรเป็นต้น 3. อุปยัถะประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือประโยชน์ร่วมกันได้แก่ประโยชน์สามอย่างในหมวดก่อนนั้น ที่เป็นผลเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและคนอื่นๆหรือแก่สังคมแก่ชุมชนอันเป็นส่วนรวมเช่นประโยชน์ที่เกิดจากของกลางและกิจส่วนรวมเป็นต้นโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่อันเอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติเพื่อบรรุอัตถะและการบำเพ็ญปรถะรของทุกๆคนคุณธรรมที่เป็นการนาที่จะให้บรรลุจุดหมายนี้คือวินัยและสามัคคี หลักธรรมทั่วไปที่อาจใช้สอนได้มีสารณียธรรม6และอปริหานิยธรรมเจ็ดประการเป็นต้นตลอดจนพฤติกรรมที่เกื้อกูลที่พึงประสงค์ที่สังคมพึงต้องการโดยทั่วไปโดยในยะนี้อัตตะสามทั้งสองหมวดจึงจัดเป็นชุดเดียวกันได้ดังนี้ 1. อัตตะ ประโยชน์ตนจำแนกได้เป็นสามระดับคือระดับที่หนึ่งทิฏฐธรรมิกาถะประโยชน์บัดนี้หรือจุดหมายขั้นต้นขั้นตาเห็นขั้นที่สองสัมปรายิกาถะประโยชน์เบื้องหน้าหรือจุดหมายที่สูงล้าเลยขึ้นไปหรือต่อไปและขั้นที่สามปรมาถะประโยชน์อย่างยิ่งหรือจุดหมายสูงสุด อัฏฐสาองหมวดจัดเป็นชุดเดียวกันชุดที่สองคือป ร, รัฏฐะประโยชน์ผู้อื่นจําแนกได้เป็นสามระดับคือทิฏฐธรรมิกาถะประโยชน์บัดนี้หรือจุดหมายขั้นต้นขั้นตาเห็นสัมปรายิกาถะประโยชน์เบื้องหน้าหรือจุดหมายที่สูงล้าเลยขึ้นไปหรือต่อไปและสามปรมาถะประโยชน์อย่างยิ่งหรือจุดหมายสูงสุดทั้งสองชุดนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับ จุดที่สอุปยัตถประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจุดหมายร่วมกันได้แก่ประโยชน์หรือจุดหมายทุกอย่างที่เกื้อกูลแก่การบำเพ็ญและการบรรลุอัต ถ, ถะและป ร, ะรัตถะของทุกคนในระดับทั้งสามที่กล่าวแล้วเรื่องมัชในฐานะมัชขาสู่จุดหมายขั้นต่างๆของชีวิตนี้พึงถือว่าเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมอีกต่อหนึ่ง ของหัวข้อว่ามร์ในฐานะพระมจันทร์หรือพระมจริยธรรมนั่นเองเมื่อพูดขึ้นมาถึงเพียงนี้แล้วก็ควรสรุปความหมายของพระมจันทร์หรือพุทธจริยธรรมนั้นอีกครั้งหนึ่งว่าจริยะหรือจริยธรรมคือจริยธรรมอันประเสริฐคือระบบความประพฤติปฏิบัติที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปเพื่อบรรลุประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายของชีวิตและอำนวยให้เกิดสภาพชีวิตสภาพสังคมที่เกื้อกูลแก่การบรรลุจุดหมายเช่นนัน้นพูดสั้นลงมาว่าพรมจรรย์หรือพรมจรยิยธรรมคือแนวทางดำเนินชีวิตอิงสัจธรรมเพื่อบรรลุประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายของชีวิตและสร้างสรรสภาพชีวิตสภาพสังคมที่เกื้อกูลแก่การบรรลุจุดหมายเช่นนัน้น